2. ทุติยภาณวานอนาถปินดิกะวัตถุว่าด้วยเรื่องอนาถปินดิกะขะหะบดี สมัยนั้นอนาถบินดิกะคหะบดีเป็นน้องเขยของเศรษฐีชาวกรุงราชกระครั้งนั้นอนาถบินดิกะคหะบดีได้เดินทางไปกรุงราชกระด้วยกรณียกิจบางอย่างเศรษฐีชาวกรุงราชคระสได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ สั่งทาตและกรรมกรว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงตื่นแต่เช้าตรู่ต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงช่วยกันจัดเตรียมแกงอ่อมขณะนั้นอนาถบินดิกะขหาบดีได้มีความคิดดังนี้ว่าคราวก่อนเมื่อเรามาขหาบดีท่านนี้ ทำธุระเสร็จก็สนทนาปราศัยกับเราผู้เดียวเวลานี้เขามีท่าทีวุ่นวายสั่งทาทและกรรมกรว่าพวกท่านจงตื่นแต่เช้าตรู่ต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงช่วยกันจัดเตรียมแกงอ่อมขหะบดีนี้น่าจะมีงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคล มหาญาณพิธีหรือจะทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐพร้อมด้วยกองทัพมาเลี้ยงอาหารในวันพรุ่งนี้กระมังครั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครืสั่งทาาและกรรมกรแล้วเข้าไปหาอนาถบินฑิกะขหบดีถึงที่ครั้นถึงแล้วได้สนทนากับอนาถบินฑิกะขหบดี แล้วนั่งณที่สมควรอนาถาบินดิกะขาหาบดีได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชครือดังนี้ว่าเมื่อข้าพเจ้ามาคราวก่อนท่านทำธุระเสร็จก็สนทนาปราัยกับข้าพเจ้าผู้เดียวเวลานี้ท่านมีท่าทีวุ่นวายสั่งทาทและกรรมกรว่าพวกท่านจงตื่นแต่เช้าตรู่ ต้มข้าวผงข้าวต้มแกงช่วยกันจัดเตรียมแกงอ่อมท่านคงจะมีงานอาวาหามงคลวิวาหามงคลมหายันพิธีหรือจะทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐพร้อมด้วยกองทัพมาเลี้ยงอาหารในวันพรุ่งนี้กระมังเศรษฐีชาวกรุงราชครึตอบว่า ข้าพเจ้าไม่มีงานอาวาหามงคลหรือวิวาหามงคลทั้งไม่ได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคดรัฐพร้อมด้วยกองทัพมาเลี้ยงอาหารในวันพรุ่งนี้ที่จริงข้าพเจ้าจะประกอบมหายานพิธีคือนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ อนาถบินิกะขหาบดีถามว่าท่านกล่ meats, 質質าวว่าพระพุทธเจ้าหรือเศรษฐีชาวกรุงราชครึตอบว่าขหาบดีข้าพเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าอนาถบินิกะขหาบดีถามซ้ำว่าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือเศรษฐีชาวกรุงราชครึตอบว่า ขหาบดีข้าพเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าอนาถบินิกะขหาบดีถามซ้ำอีกว่าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือเศรษฐีชาวกรุงราชคฤกก็คงตอบว่าขหาบดีข้าพเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าอนาถบินิกะขหาบดีกล่าวว่า แม้เสียงประกาศว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ก็ยากที่จะได้ยินในโลกท่านขหาาบดีข้าพระเจ้าสามารถจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในเวลานี้ได้หรือเศรษฐีชาวกรุงราชคฤึบตอบว่าข้าาบดีเวลานี้ยังไม่ควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค พรุ่งนี้ท่านจะได้เข้าเฝ้าหลังจากนั้นอนาณาถบินิกะข้าบดีนอนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพรุ่งนี้เราจะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต่เช้าปลูกเล่ากันว่าข้าบดีตื่นกลางดึกถึงสามครั้ง เพราะเข้าใจว่าสว่างแล้วครั้งนั้นท่านอนาถบินิกะขหาบดีเดินไปทางประตูป่าสีตะวันพวกอามนุษย์เปิดประตูให้เมื่อท่านอนาถบินิกะขหาบดีเดินออกจากเมืองไปแล้วแสงสว่างพลันหายไปปรากฏความมืดแทนความกลัวความหวาดสะดุ้ง อาการขนพองสยองกล้าวบังเกิดขึ้นท่านอนาถบินิกะคหาบดีต้องการจะกลับจากที่นั้นขณะนั้นศีวกายักษหายตัวอยู่ประกาศให้ได้ยินเสียงว่าช้างหนึ่งแสนเชือกม้าหนึ่งแสนตัวรถม้าอัศดรหนึ่งแสนคัน สาวน้อยประดับต่างหูเพชรหนึ่งแสนคนก็ยังไม่ถึงเสี้ยวที่สิบหกแห่งการย่างเท้าไปเก้าหนึ่งเชิญก้าไปเถิดขหบดีท่านก้าไปดีกว่าอย่าถอยกลับเลยทันใดนั้นความมืดพลันหายไปแสงสว่างปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถบินิกะขหบดี ความกลัวความหวาดสดุงอาการขนพองสยองกล้าวพลันหายไปแม้ครั้งที่สองแสงสว่างพลันหายไปปรากฏความมืดแทนความกลัวความหวาดสสดุงอาการขนพองสยองกล้าวบังเกิดขึ้นทนอนาถบินติกะขะหาบดีต้องการจะกลับจากที่นั้น สีวะะ่ากษญก็หายตัวอยู่แต่ประกาศให้ได้ยินเสียงว่าช้างหนึ่งแสนเชือกม้าหนึ่งแสตัวรถม้าอัศดรหนึ่งแสคันสาวน้อยประดับต่างหูเพชรหนึ่งแสนคนก็ยังไม่ถึงเซี่ยวที่สิหแห่งการย่างเท้าไปก้าหนึ่งเชิญก้าไปเถิดข้าหาบดีท่านก้าไปดีกว่า อย่าถอยกลับเลยความมืดพลันหายไปแสงสว่างปรากฏแก่ท่านอนาณาถบินิกะขหาบดีความกลัวความหวาดสะดุ้งอาการขนพองสยองกล้าวพลันหายไปแม้ครั้งที่สามแสงสว่างพลันหายไปปรากฏความมืดแทนความกลัวความหวาดสะดุ้ง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 สาวน้อยประดับต่างหูเพชรหนึ่งแสนคนก็ยังไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกแห่งการย่างเท้าไปก้าหนึ่งเชิญก้าวไปเถิดข้าาบดีท่านก้าไปดีกว่าอย่าถอยกลับเลยแม้ครั้งที่สามความมืดพลันหายไปแสงสว่างปรากฏแก่อนาถบินิกะข้าาบดีความกลัว ความหวาดเสดุงอาการขนพองสยองกล้าวพลันหายไปลำดับนั้นอนาถบินดิกะขหาบดีเดินเข้าไปยังป่าสีตะวันเช้ามืดวันนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมที่กลางแจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นท่านอนาถบินดิกะขหาบอดีเดินมาแต่ไกลครั้นแล้ว จึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปู่ไว้ครั้นแล้วได้ตรัสกับอนาถบินิกะขหาบดีดังนี้ว่ามาเถิดสุทัตตะท่านอนาถบินิกะขหาบดีรื่นเริงบรรเทิงใจว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกชื่อเรา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 ย่อมอยู่เป็นสุขทุกขเมื่อผู้ไม่ติดอยู่ในกามเป็นคนเยือกเย็นไม่มีอุปธิกิเลสตัดกิเลสเครื่องข้องได้ทุกอย่างแล้วกําจัดความกระวนกระวายในใจเข้าถึงความสงบย่อมอยู่เป็นสุขลําดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานนกถาเรื่องทาน 2. สศีลกถาเรื่องศีล 3. สัขขกคกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำซาม ความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนคขำมานิสังสะกะถาอานิสงแห่งการออกจากกามแกอนาถบินดิกะขะหาบดีเมื่อทรงทราบว่าท่านอนาถบินดิกะขะหาบดีมีจิตควรอ่ อ, อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใส จึงทรงประกาศสามุ ก, กังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุทัยนิโรธมักธรรมจักสุขอันปราศจากทุลีปราศจากมนถินได้เกิดแก่อนาถบินิกะข้าบดีณนะอาสนนั้นแหลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง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 เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นท่านอนาถบินดิกะข้าบดีทราบ ก, การที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วทำประทักษิณกลับไป เศรษฐีชาวกรุงราชครึ์ได้ทราบข่าวว่าท่านอนาถบินดิกะข้าหบดีนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ครั้งนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครึ์ได้กล่าวกับท่านอนาถบินดิกะข้าหบดีดังนี้ว่า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 ทรัพย์ที่จะจับจ่ายใช้สอยเพื่อจัดทําปัตตาหารเลี้ยงพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานของข้าพเจ้ามีพร้อมแล้วชาวนิคมในกรุงราชคฤึ่ได้ทราบข่าวว่าท่านนาถบินิกะข้าบดีนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ลำดับนั้น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 มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านอนาถบินิกะข้าบดีตอบว่ายาเลยพ่อเจ้าทรัพที่จะจับจ่ายใช้สอยเพื่อจัดทำพัตตาหารเลี้ยงพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานของข้าพเจ้ามีพร้อมแล้วพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัชพอได้ทราบข่าวว่า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 ก็ท่านเป็นอาคันตุกะฉันจะให้ยืมซั์ที่จะจับจ่ายสิ่งของเพื่อจัดทําพัตต า, ารถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านอนาถบินฑิกะขะหาบดีทูลตอบว่าอย่าเลยพระเจ้าข้าซั์ที่จะจับจ่ายใช้สอยเพื่อจัดทาพัตต า, ารเลี้ยงพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานของข้าพระองค์ มีพร้อมแล้วครั้นล่วงราตรีนั้นไปท่านอนาถบินิกะคหาบดีสั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตในนิเวศของเศรษฐีชาวกรุงราชครึกแล้วให้คนไปกราบทูลพัฒการว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัตต า, ารเสร็จแล้ว ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปนิเวศของเศรษฐีชาวกรุงราชครืประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายพร้อมกับภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นท่านอนาถบินดิกะขหาบดีได้นำของเคี้ยวของฉันอันประนีต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 พร้อมกับภิกษุสงฆ์จงทรงรับนิมนต์ไปอยู่จำพรรษาณนะกรุงสาวัตถีของข้าพระพุทธเจ้าเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหะบดีตถาคตทั้งหลายย่อมยินดีในสุญญาคารท่านอนาถบินิกะค้าบดีกราบทูลว่า ทราบแล้วพระพุทธเจ้าข่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านอนาถบินดิกะขหาบดีเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาสเสด็จลุกจากอาสนะแล้วสเสด็จกลับไป